เดี๋ยวสี่โมงเราจะไปที่<ม>ที่มกุูดพันธนเจดีย์กันพรุ่งนี้เช้าเราจะไปที่ปรินิพานสถูปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาฉันเพงแล้วก็เดินทางไปลุมมีนีวันน ะ, อะตอนเย็นตตอนคืนเราจะทอดพระป่าเนี่ยถาวายเออย นัดทั้งหลวงพ่อท่านไปเลยเออธานอาหารกันเสร็จตรงนี้ก็คือว่าพระบ ร, รมศาสดาปรินิพานที่ตรงนี้กล่าวโดยรวมให้เราเข้าใจในพื้นที่เนี่เพราะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้ทราบข้อมูลกรณีงการที่ได้ภาพรว ม, รวม คือพระบรมศ า, ศาสดาทรงสรรเสริญปฏิบัติบูบชาไม่ได้สรรเสริญอามิสบูชานียแต่ไม่ใช่ไปพูดตัดลากอามิสบูชาเพราะการบูชามีอยู่สองใช่ไหมในชั้นของการบูชาเนี่ยเรามากันนี่เราเราโดยมากเราบูชาประเภทไหนอามิสบูชาหรือธรรมบูชาอะไรคืออามิสบูชา อาพิช บ, บูชาได้แก่อะไรการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของตามในพระสูตรมีเท่าไร่10อย่างนะข้าวไ ด, ได้เอาข้าวบูชาบ้ากอย่างน้ําที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งหม่มดอกไม้ยานพานะเครื่องรูปไร้คล้องหอมเครื่องนอนและเครื่องให้แสงสว่าง10อย่างในยาของพระสูตร ให้รูปให้สีเป็นทานให้ได้ยังให้เสียงเป็นทานให้กลิ่นให้รสเป็นทานให้โพธภะให้นะธรรมารมสักเบาลงเรื่อยยให้ที่อยู่อาศัยให้ตรงไหนเออเนี่ยให้ที่อยู่อาศัยให้เครื่องนุ่งห่มให้ยาให้อาหารเนะย ในชั้นของอภิธานธิปณีในคำสอนนั้นใช้คาว่าอันนางปานางังครังวทฏังมาลายานางังวิเลปานางังคันโดสซยาปฏิปยงังธานวะทุงสิยุงทซาสิบอย่างเลยใช่ไหมอันนางปานังคือน้ำ คาังคือที่อยู่วัดถังคือเครื่องหนึ่งห่มนะีมาลาก็คือยานางก็คือยานปานะวิเลปานังก็เครื่องรูปไร้นะคันโทของหอมใสา ย, ยาละ่ะเครื่องนอนปทีเปยยางก็เครื่องให้แสงสว่างนะเนี่ยทานวัตถุวัตถุทานนะ่ยมีอยู่10อย่างนี่แหละ ให้ครบแล้วนะทีนี้ในด้านของวัตถุนี่พระบรมศา ส, สดาตรัสบอกว่าไงตรัสบอกว่าดูก่อนนะนนตถาคตจะชื่อว่าอันเลาสการะอันบริสัท4ี่คือภิกษุภิกษุณีบาศสกและบาสิกาสการะเคารพนับถือบูชาน้อบน้อ ย, ด, ยออด้วยเครื่องสการะประมาณเท่านี้หาไม่ได้ไม่ใช่เลยเนี่ยบูชากันอย่างเยอะเนี่ย ไม่ใช่อย่างนั้นสถาคตไม่ใช่อุบัติเกิดขึ้นมาเพียงแค่อมิสบูชาอย่างเดียวผู้ใดแลจะเป็นภิกษุภิกษุณีเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคำว่าธรรมานุธรรมะปฏิปตินี่แปลว่าอะไรปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตระธรรมเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ไตสรสารณคมที่ถูกต้อง ตอนนี้เข้าถึงอะไรเข้าถึงพระรัตนตรัยชัดไหมเริ่มตั้งแต่ไตรสถานาคมเป็นต้นเข้าถึงกุศลศีลเป็นไปตามลําดับไปจนถึงเจริญสมถาวิปัสนาเป็นต้นเป็นไปตามลําดับเลยจนบรรลุมรรคผลนิพพานนู่นแหละนั่นแหละก็เรียกธรรมานุธรรมาปฏิปติตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วง่อนเงนอยู่ไหมเนี่ยยังง่อนเงนคลอนแคลนไหมศรัทธาเป็นยังไง ศรัทธาเป็นยังไงบางวันก็ขึ้นปิด ๆ, ๆอย่างไรเหตุผลเลยใช่ไหมแต่นานๆจะดูทําดีทดําท่ามีเขาสักหน่อยแต่โดยมากก็เนยอยากให้มีศรัทธาเหมือนกับหุ้นบ้านเราไม่ใช่ทั่วโลกก็เป็นงั้นเนะี่ยเราไม่ได้เอาขึ้นไว้ตรงนั้นเลยใช่ไหม ศรัทธาเราไปตั้งไว้ที่โลกุตละธรรมแล้วแต่นี้จะลงไหมไม่ลงแล้วนี่แต่ก่อนเราตั้งผิดไงล้วไปตั้งที่ตัวบุคคลเนี่ยสมมติมาเนาะศรัทธาไปตั้งไว้กับยอมเนี่ยมาจะผิดหวังไหมเนี่ยโอยป่านนี้เอามาก็ร้องไห้นานแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ ท, ทําทีทำท่าวันนี้ก็มีศรัทธาใช่ไหมถ้ามาจะศรัทธาเอามาไปตั้งไว้ที่ยอมตายได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ไปตั้งไว้แค่นั้นไม่ได้ ฉะนั้นศรัทธาของอาจะต้องไปตั้งไว้ที่โลกุตละธรรมตั้งไว้ที่อนุปาธาปณิิพานตั้งไว้ที่พระตถาคตจ้าอะไรคือพุท ธ, ธะอะไรคือพุท ธ, ธะอะไรคือธรรมะอะไรคือสังฆะตอบไม่ได้แล้วอาพุท ธ, ธะคืออะไรอะไรคือพุท ธ, ธะสภาวะพุท ธ, ธะได้แก่ เป็นเครื่องกำจัดภัยไงใช่ั้มเป็นเครื่องกำจัดภัยพวกเราอาจจะตอบไม่ได้จริงๆเรารู้ใช่ไหมคืออะไรใช่ไหมเอามามองหน้าก็รู้ว่าพวกเรารู้ท <c oughs> <c oughs> าไมพูดอย่างนั้นหมดกำลังใจเลย <c oughs> ตอบไม่ถูกเลยเลย <c oughs> พุทธสภาวะพุทธก็คือเพราะว่าที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ดึงหรือที่บอกว่าแนะนําให้พุทธบริษัทใช่ไหมพุทธบริษัทของพระ อ, องค์หรือภิกษุภิกษุณีบาศกและบาศกาเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ เ, นเกื้อกูลอะไรคือประโยชน์อ น, นุปาทาปณิพัน์นไงคือการ ดับวัตทุกโดยไม่มีส่วนเหลือนี่แหละคือประโยชน์สูงสุดแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกไอสาระอะไรคือประโยชน์ที่แท้จริงใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอกไปที่ปริณิพานของพระบรมศาสดาแล้วก็ไปไหว้ๆแหละไปขอทรงเลยเนี่ยเนี่ยจะไปขออะไรกับท่านอีกเราท่านให้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมจะไปขออะไรอีกไปถึงไปกราบพระศาสดาว่าข้าพเจ้ามาช้าดเสมอใช่ไหม มาชาน่าจะเฝ้าพระศาสดาตั้งแต่วันตัดสรุปก็ไม่เฝ้าอีกเทวดาก็เตรียมกันมานานไหมเตรียมเฝ้าพระศาสดาเนี่ยเตรียมกันรอตั้งแต่สี่ลสงไข่นี่ท่านตั้งเขาตั้งหลักกันไว้ไงรู้ไหมถ้าเราไม่ได้ตัดสรุปตามพระธีบางกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะตัดสรูป ต, ต่อหน้าประพักของพระศาสดาที่มีนามว่าสมณะโกดมท่านตั้งกันอย่างนี้เลยอ่ะ แต่ไม่ใช่ว่าท่านตั้งแบบประเภทไร้ความเพียร น, นะท่านทัดบรรลุ ต, ตอนนั้นได้ทัดบรรลุแล้วนะแต่มันไม่ได้จริงๆเนี่ยท่านก็ไม่ยอมเสียหายท่านตั้งบอกว่าท่านตั้งศรัทธาไว้ในพระบริสัทเลยก็อย่างเราเมันหลักรอยไม่ตอนเนี้ยหลักอย่าให้ลอยให้ตั้งอธิยาสายว่าเราจะต้องบรรลุในาศาสนาของพระชนนเจ้านี้ ถ้าไม่ได้บรรลุเราจะไปบรรลุต่อหน้าพระพักของพระเจ้าองค์ต่อไปให้ได้อีหนึ่งตรกับเราจะไม่ทําให้เสียหายเลยอย่างเนื้ออย่าลืมนะถ้าตกนรกก็พังเลยนะชีวิตเนะี่ยส ม, มอติตายพบนี้ปุ๊บเนี่ยลงนรกนี่พังแล้วนะโอกาสในการไปพบองค์ต่อไปนี่พังและจบแล้วยอมจบยาวแน่นอนอย่าลงอบายเด็ดขาดนะถ้าลงแล้วยาวยืดเลยไอ้กรรมทั้งหลายก็จะมารอคิวกันเป็นแถวยมบางคน รอคิวเราบ้างรอคิวเราบ้างเอาเองรับเองให้พ้นไปเสร็จเดี๋ยวค่า ร, รับต่อเดี๋ยวค่าส่งต่อเดี๋ยวค่าส่งต่อเดี๋ยวค่าส่งต่อแล้วเมื่ อ, อไหร่จะจบเป็นอาวุโสกรรมทั้งหลายเนี่ยถามถ้าไปเป็นสัตวน์นรกไปทําชั่วต่อไหมในขณะที่ความโกรธมันเกิดขึ้นไฟเผาเนี่ยเป็นอาวุโสกรรมไหมปากก็แหกล้องตะโกนไปเนี่ยเป็นวจีทุจริตไหมกายก็ดิน้นลนไปเป็นกายทุจริตใจก็เป็นมโนทุจริตตายด้วยความเครียดใหม่ไปเป็นนรกใหม่ไหม เสร็จเรียบร้อยเงนิ น, งนมันเงี้โยมโอกาสจะไปตายเป็นลูกของสุนัขนี่นะออกมามีสีขาวิ่งก็กกกนี่นะะจะทํำยัำยงไงจะฟังทำยังไงเนะี่ยนี่ไงน่าเป็นห่วงไหมว่าเจ้าเป็นห่วงเงี้ยถึงประทานเอกุศลศีลไว้ก่อนมีศรัทธาเอากุศลศีลไว้แล้วรีบฟังทำเก็บข้อมูลเสียดูแลตัวเองอะดูแลตัวเองเสีย พลาดแล้วพระพุทธเจ้าบอกนะที่เราไปเฝ้าเนี่ยมองประพัระพุทธเจ้าเนี่ยเงันหน้ามองพระศ า, าสดานั้นน่ะให้รู้ว่าพระบรมศาสดานั้นน่ะมุ่งหวังอะไรในเราพระองค์หวังอะไร อ, อ, อ่ะบอกว่ามาเฝ้าเราถถ า, าคตเนี่ยจะมารับอมิสสมรดกหรือธรรมมรดกยามบางคนจะรับอมิสมรดกของพระพุทธเจ้าหรือธรรมะ ถ้าอมิตรก็มานอนเล่นกันเนี่ยสมบัติพระเจ้าก็มานอนบริโภคไปสินี่ไงเนี่ยใช้สอยไปที่เนี่ยที่เขาถวายพระธเจ้าเออนอนดีจังอากาศดีร้อนบ้างเย็นบ้างหนาวบ้างเขาบ่นกันปะนี่ได้แล้วไงอมิตรเขาถวายพระเจ้าแล้วไงสมบัติของท่านแล้วท่านก็ดูแลได้เนะยถ้าเป็นพระเนี่ยดูแลจนตายขาผ้าเหลืองก็ได้ แต่ได้แค่อามิตรมรดกประเสริฐไห้แบบนี้ชีวิตนะไม่ประเสริฐเลยพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้ต้องการอามิตรสบูชาพระเจ้าจึงบอกไงบอกว่าผู้ใดแลจะเป็นภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาก็ตามเมื่อปฏิบททัติธรรมตามสมควรแก่ทำปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ปฏิบัติชอบนี่เป็นชื่อของมรรคแนะ เป็นชื่อของอินทรีย์าพละหโาพูดชงอริยมรรคแน่าเรียกปฏิบัติชอบถ้าผิดจากโพธิปัจญยธรรมก็เรียกปฏิบัติชั่วปฏิบัติไม่ดีเป็นมิจฉาปฏิปทาเราจะเป็นสัมมาปฏิปทาหรือมิจฉาปฏิปทาดีสัมมาปฏิปทาเท่านั้นเขาเรียกปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลคุตละธรรมการปฏิบัติเนี่ยเป็นชื่อของการเดิน เดินศีลสมาธิปัญญาทําศรัทธาเป็นต้นให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตได้จริงอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติชอบเป็นการปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานและปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกปฏิบัติแบบไม่มีมายาไม่มีมายาไม่มีสาเทยะไม่โอ้วดใช่ไหมไม่ปฏิบัติโคง้งเหมือนเสี่ยวเหมือนอะไร โคงเหมือนเสี่ยวพระจันทร์เนี่ยงอเหมือนกับหางไถคดเหมือนกับปัสสวาวะโคเขาเห็นยมพ่อเขาเห็นวัวเดินไหมควายเดินเนะ่ะมันปัสสวาวะตรงไหมเวลามันเดินปัสสวาวะตรงไหมตรงไม่ตรงไม่ตร ง, ตรงนัน่นแหะต่อไปยมพ่ออย่าปฏิบัติคดเหมือนปัสสวาวะโคแม้เดี๋ยววันนี้มีศีลผุ่งนี้ศีลหายไปแล้ววันนี้มีศีลศีลหายไปได้อยูงเนี้ยนั่นก็คดไปก็โคดมาแล้วเมื่ อ, อไหร่มันจะพ้นทุกข์ออย่างเงี้ยเข้าใจยัง ใครมาพูดให้ชอบใจก็หลงระเลิงไปใครมาพูดให้เครียดอะไรก็โกรธไหมแล้วก็ลุ่มหลงไม่รู้เลยอะไรเป็นอะไรเนะแล้วได้อะไรไหมเน่ะเข้าใจนะยอมนะอย่าปฏิบัติโคดเหมือนปัสสาวะโคเนี่ยเราดูที่ที่มาอินเดียเนี่ยดูโคมันเดินไปปัสสาวะไปสิโคดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเงี้ยไม่ยอมเอาจริงเอาจังสักทีพอ ท, ท, ท, ทําทีทําท่าหน่อยก็หลบฉากปุ๊บ พอเขาให้นั่งกรรมฐานหน่อยหลับทรงเลยงนเนี่ยคดแล้วเนี่ยนยเขาใจะยังะเข้านะเข้า เ, าาเาพราะเขาจะไปไหว้พระหน่อยป่วยซะอีกแล้วไม่ไปไม่ได้เลยหรือพอเขาไปจะไปบูชากันจริงจริงยังๆอ่ะโอ้ยทั้งโลผ้าโทสะเกิดเลยเนี่ยบางทีไม่ประมาณตนกันเลยใหญ่มากเ อ, อเราจะไปเฝ้าพทธเจ้าเนี่ยสมมุตินะพระเจ้านอนอยู่อย่างงั้นจริงๆเนี่ยเราจะเข้าไปท่านไหนอ่ะ เรอจะเข้าไปยังไงรีรบไปโอ้โหไปถ้าโอน้นโอนอดนปรับอาบัตเนี่ยที่ปล่อยให้สตรีไปไปถูกพระวรกายไปอะไรอย่างี้แต่นี่คือเราก็ขอเข้ามาท่านนยถูกที่เท้าก็ดูจะเหมาะหน่อยเนาะนะถูกที่เท้าบางคนไปปิดตาท่านนุน่นโอ้โหดูไงก็ไม่รู้ใช่ไหม เลอะหมดเนี่เลอะหมดดูเป็นอะไรก็ไม่รู้ลกลงลางหรือจะปิดอะไรกันนะกันนายังให้มีเหตุผลหน่อยสิปิดเนี่ยจียงไหมเร็เลยพิธภัณฑ์ดีดีปิดตาบอร์ดหมดเลยตาบอร์ดหมดติดวัฒนาศิกเสียหมดเลยอะไรเงี้ยก็บางทีทองก็นั่นใหสวยเราก็ไปปิดไปเจอคนบางคนเนาะอย่ามองไปท้าอย่าเลยถูถูที่นาสิกพะนาสิกถูถูอยู่นั่นแหละแล้วก็อะไรรู้ดาๆไปแปะบ้างอะไรบ้าง ทำไมไปทำพุทเจ้าขนาดนะ่ะหน้าร้องไห้ยิงยิงเจ้าพุทธเราไม่ข้อมูลต่ำเหลือเกินนะเคารวบท่านสิคารวบท่านเราไปอุปถากท่านดิไปปัดไปกวาดเราจะไปอยากได้อะไรกันนะกันหนาะเราไปบูชาท่านต้องไปเคารวบเนาะดีไหมถ้าทำอย่างนี้ดีไหมใครจะทํายังไงก็ช่างไางว้เหยียบย่าก็ปล่อยเขาเขาเจ้าพิมพ์พิสารกับเท้าโดนกีดจน ต, ตาย ก็เพราะนี่แหละไม่เคารพภาษาสดานี่แหละล้วก็เห็นอยู่โดนกรีดฝ่าเท้ากรีดเสร็จก็ไม่พอนะใช้ไม้จันเผลอมาเสร็จกรีดหนังเท้าออกแล้วก็ย่างอยู่นันย่ยางนี่ไงกรรมนี่เศรษกรรมยอมแม่ตกนรกมาแล้วนะเนี่ยดีในะท่านเป็นในพระโสดาบันนเนี่ยไปเกิดเป็นชนะวัชพยักษเป็นลูกน้องของ เท้ากูเละไมัหมเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารอยู่ชั้นจาตุมหลดแต่ดีท่านไม่ตกนรลกว่ท่านเป็นพระโสดาบันเนี่ยกรรมที่ท่านทำไว้เนยะสวมรองเท้าเข้าโบเข้าพระเจดีเห็นไหมอยากเาอยากก็อยากศรัทธานั่นแหละแต่โดนเรียบร้อยไปเลยแล้ว ทำยังไงอ่ะอ๋อแม่อย่างนั้นเขาเรียกอุปถากไม่เป็นไรเอออย่างนั้นบูชาอย่างนั้นบูชาควรไปทํารู้เปล่าไปโกกาดไปปดัดไปเช็ดไปอุปถากไปดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอย่างนั้นไปบูชาไปบูชาควรทําไปเช็ดที่องค์ได้หมดนั่นแหละนะเช็ดแต่เราเช็ดแบบบูชานะ ไปดูทำความสะอาดไปต่างๆแล้วเสร็จก็ขอเขามานะอย่างเงี้ยทำนอบนอบ้นอมต้องระวังเรามาเอาบุญน่ยนะนิ่งนะสถานตรงที่ตรงนั้นด้วยอ๋อไม่เป็นไรหรอกเพราะขึ้นไปบูชาจะขึ้นไปแล้วขอเขามาไงเพราะจริงๆที่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าบางแห่งบางท่านเขาไม่ไปบูชาได้ท่านไปเขาถือว่าอิสลามนั่นไป ตั้งบนยอดตรงนั้นแล้วไงแต่จริงๆก็คือเราไปสักการะไปบูชาแล้วไปเราไม่ได้ไปแบบเหยียบย่ำเลยใช่ไหม <c oughs> ตรงนี้ก็นีการบูชาพระพุทธเจ้าต้องมีความเข้าใจจริงๆเนอะต้องเรื่องการเข้าใจก็เป็นภาษาสดาของเราก็ต้องเข้าใจในการที่จะบูชาเออ ตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยเวลาเราจะไปนอบน้อมไปอะไรก็ให้ได้ข้อมูลให้ชัดเข้าไปบูชาภาษาสดาัเห็นไหมหนึ่งนอกจากได้ข้อมูลแล้วสองก็ปฏิบัติให้ถูกใช่ไหมปฏิบัติให้ถูกทีนี้ก็ภาษาสดาก็อบอกว่าพวกเธอทั้งหลายในเนี่ยนะปฏิบัติธรรมอยู่นั้นชื่อว่าสาการะเคารพนับถือบูชาด้วยการบูชาอย่างยิ่งเห็นไหม พระเจ้าบอกว่าถ้าปฏิบัติชอบปฏิบัติเป็นไปตามพระธรรมคําสอนมีศีลมีกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งเลยฉะนั้นเวลาเราไปบูชาด้วยของหอมดอกไม้ทั้งหลายต้องอะไรบางคนมีมากเขก็บูชาแบบอลังการนั่นที่ไม่ชีว่าใช่ไหมไปเห็นเขาโห่ทาฉัดมาทำบายสีมางดงามมากแต่มาบางคนามาตั้งๆังรีไปเลยเนี่ย อันนั้นเขาก็ได้บุญอย่างหาประมาณไม่ได้เนื้อเนื้อมันได้เฉพาะส่วนที่เป็นผลของกุศลไงเอางี้ถ้าเราให้ทานแล้วเราไปเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีรูปสวยรวยทรัพย์ใช่ไหมแต่เป็นคนไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเอาไหมเป็นคนปัญญาอ่อนแต่ว่ารวยอะ เราก็รวยอ่ะก็เราทำแบบขาดปัญญาแต่เป็นคนปัญญาอ่อนเดี๋ยวโหรวยมากเลยเคยเจอไหมล่ะเห็นไหมก็ก็ลักษณะอย่างนี้เราก็ทำให้บริบูรณ์ซะดีกว่าใช่ไหมยังไงเราก็หวังการพ้นจากวัฏจทุกข์เลยก็ตรงนั้นก็อยู่ที่ศีลอยู่ที่กุศลที่คุณมีความเข้าใจทาไมต้องบอกตลอดเวลาไงว่า สัตว์เดรัจฉานมันรวยกว่าเราก็เยอะใช่ไหมสัตว์เดรัจฉานบางตัวนี่ใส่เพชรตั้งราคาไม่รู้กี่กัหลัดมีแพนด้านี่รวยกว่าเราไหมเดี๋ยวเนี่ยนะผลบุญเขานั้ย น, นะแต่เขาเป็นอบัยศัตร์เอาไหมละ่นะอธิษฐานเป็นไหมยก็ได้ง่ายๆเลยเนะ่ยบุญอย่างนั้นแค่บูชาพระพุทธเจ้าไม่ต้องรักษาศีลหรอกเข้าไปก็ไปบูชาไปบ่อยบูชาไปบ่อยจะทําอะไรก็ได้เนี่ย น, นะเดี๋ยวผลน่ยยิ่งใหญ่มหาศาล แต่เป็นอบัยศัตร์มีทรัพย์เยอะบางทีสองพ่อเมียภรรยาพากันตายหมดเซ็นเซ็นมรดกไว้ให้สุนัขตัวงหลายร้อยล้านต่างประเทศก็เห็นไหมใช่ไหมก็นี่ไงบูชาผลจะบูชานิดเดียวแค่นั้นเดียวถึงบอกเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยแต่เป็นอบัยศัสตร์นะผลบางทีมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะทุศีนไงพระทีเจ้าอนุญาตไว้สําหรับผู้มีศีนเท่านั้นแหละนี่เราเข้าใจแล้วนะ นอกจากจะบูชาจะให้มีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากก็ต้องกุศลศีลต้องดีเลยใช่ไหมใครถือศีลแปดก็โอ้ยใช่ไหมชื่นหาชื่นใจไหมหน่าชื่นใ จ, นใจต้องถือให้ดีนะถือให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวจบทริปนี้เบีดเสร็จกลับไปก็ไม่นั่งเสียใจทีหลังแม้ไปนั่งตบเขายืนเข่ า, ขาด้พังเลยรู้อย่างนี้ถือศีลแปดก็ดีไปแล้วไม่ยากอะไรเลยใช่ไหะพรอไหมยัง ออถือมาหลายวันโอ้โสาธุเลยเนี่ยงงเรื่องอาหารเนี่ยเมื่อไรก็กินได้ไม่อยากหรอกไม่เห็นเป็นไรเลยมังกรกลัวโอ้ยกลัวจะตายถ้งนั้นมาหาอํานาจก็ตายนานแล้วถ้งงั้น <c oughs> ไม่เห็นตายเคี้ <c oughs> ใช่ไหมเพิ่ง <c oughs> วันก็ฉันมือเดียวบ้างอะไรบ้างในท่านทิศธัญญงไม่เห็นตายกีย่เลยฉันมือเดียวนุ้ยก็อยู่ได้อยู่ทุกวันใจริงที่แต่ท่านก็ดูสุขภาพท่านเป็นนะ ก็ตรงนี้ก็คือว่าใครที่ยิ่งให้อวัยวะเป็นทานได้หน้าชื่นใจใช่ไหมให้อวัยวะเป็นทานได้หน้าชื่นใจก็แต่ว่าเขาได้เจอามาเคยนั่งคิดนะเอ๊ะเรารับของเขาเนี่ยถ้าสมมุติถ้าเราจะให้เราจะกล้าไหม เ, เคยถามดังปขนาถามโดยยังนี่จะกล้าไหมเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องไม่ยากเลยเนีเป็นเรื่องไม่ยากถ้าใจมันพร้อมแล้วเนี่ยการสละเป็นพุทธบูชาเนี่ยไม่ไม่ยากตรงนี้ก็คือว่า พระบรมศาสดาก็บอกว่าพิกสุจำนวนมากตั้งหลายบอกว่าพระบรมศาสดาเนี่ยก็สรรเสริญธรรมบูชาถ้าธรรมบูชาก็เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของการรักษาศีลการรักษาศีลการเจริญสมถกรรมฐานและการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะเป็นธรรมบูชา เดี๋ยวเราจะไปบูชากันที่มกุฎพันธนะเจดีย์เดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนนะดีไหมอ่าไปเดี๋ยวรีบไปกันดีเดี๋ยวไปที่ตรงนู้นเราจะไปบูชากันที่มาลังรอเวลาอยู่ในเพราะมันร้อนไงตรงนั้นหาร่มไม่ค่อยได้อากาศก็ร้อนด้วยนีนอากาศก็ร้อนอ่าไปเดี๋ยวเราจะไปไหว้มกุฏพันธนเจดีย์สถานที่เผาพราะพบรมศพของพระศ า, ศาสดานี